ฟังธรมกคาพุทธะมาชิมานิกายอนังคณะสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารใจตะวันในที่นั้นท่านพระษารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่ารุ่อนผู้มีอายุบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก หาได้อยู่ในโลกคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในสองบุคคลบางคนในโลกนี้มีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีกิเลส แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในและ4บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในก็ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายใน บุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคล น, นี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวสามส่วนในบุคคลสี่ชพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในบุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุคคลประเสริฐ ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในในบรรดาบุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคล น, นี้คือบุคคลที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสนี้เป็นบุคคลแล้วสในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายใน ในบรรดาสองพวกที่มีกิเลสในภายในเหมือนกันนี้บุคคลพวกนี้คือพวกที่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสในภายในบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเรสริฐโดยในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลที่ไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในในบรรดาบุคคลสองจาพวก ที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลที่ไม่รู้ว่าไม่มีกิเลสในภายในนั้นบันดิตกล่าวว่าเป็นบุตรเดวสามส่วนในบรรดาบุคคลสี่จำพวกบุคคลใดไม่มีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในในบรรดาบุคคลที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลที่ไม่มีกิเลสและ รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสนั้นเป็นบุตประเสริฐเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมกุลนะได้กล่าวคานี้กับท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรผู้มีอายุอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่เป็นเรื่องทำให้บุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่า เป็นบุคคลเร็วซามช่วนอีกคนหนึ่งเป็นบุรุษประเสริฐและอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บรรดาบุคคลสองพวกที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบัณดิตกล่าวว่าเรวซามอีกคนหนึ่งบัณดิตกล่าวว่าประเสริฐท่านผู้มีอายุโมกขละนะในบรรดาบุคคลสี่จํพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลส แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสขอ้อนี้อันบุคคล น, นั้นปึงหวังได้คือเขาจะไม่ยังความพอใจให้เกิดขึ้นไม่พยายามไม่ปรารบความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเสียเขาจะเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทําการละไปเหมือนภาชนะสำริด ที่บุคคลนํามาแต่ร้านหรือแต่สกุลช่างทองอันละอองและสนิมจับอยู่โดยรอบเจ้าของก็ไม่ใช้ภาชนะและไม่ขัดสีภาชนะสํำริดนั้นซ้าเก็บมันไว้ในที่ที่มีละอองเมื่อเป็นอย่างนี้สมัยอื่นภาชนะนั้นจะเพึงเป็นของเศร้าหมองสนิมจับยิ่งขึ้นฉะ น, ฉะนั้นฉะนั้นที่บุรุษนี้ ถ้ยังมีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในก่ อ, อนั้นบุคคลนั้นก็จะไม่ยังความพอใจไม่พยายามไม่ปราลบความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเสียเขาจะมีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทํากาลลาไปอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหาโมคละนะส่วนในบุคคลสีจำพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในก้อนนี้บุคคลนั้นจะพึงหวังได้คือเขาจะยังความพอใจให้เกิดขึ้นจะพยายามปราบโรความเปลี่ยนเพื่อละกิเลสนั้นเสียจะเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลส มีจิตไม่เศร้าหมองทำกาล้าไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุล ข, ของช่างทองอันละอองและสนิมจับอยู่โดยรอบเจ้าของก็ขัดสีภาชนะสำริดนั้นและไม่เก็บมันไว้ในที่ที่มีละอองเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยอื่นภาชนะสำริดนั้นก็จะเป็นของหมดจดผ่องใส นี้ฉันใดบุคคลนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้ามีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเขาก็จะยังความพอใจพยายามปรารบความเปลี่ยนเพื่อละ ก, กิเลสนั้นเสียสมัยต่อมาก็จะเป็นผู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีกิเลสมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาลัาไป อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองท่านภาษาริบุตรท่านพระหมหาโมกข์กลนะในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในข้อนี้เขาจะหวังได้คือเขาก็จะทำในใจซึ่งสุภานิมิตคือตามกำหนดในของสวยงามเพราะการทำในใจซึ่งของสวยงามเหล่านั้นอยู่ ราคาก็จะครอบงำจิตได้เขาจะเป็นผู้มีราคาโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองตามกาล้าไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนั้นนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลของช่างทองอันหมดจดผ่องใสแต่เจ้าของไม่ได้ใช้สอยไม่ได้ขาดสีภาชนะสำริดนั้นสํำร้าย เก็บมันไว้ในที่ที่มีละอองเมื่อเป็นอย่างนี้ภาชนะสำริดนั้นก็จะบึงเป็นของเศร้หมองสนิมจับกันได้แม้ฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนกันคนที่ไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเขาก็จะตามประกอบในการดูสิ่งของที่สวยงามคือมนุษย์การในสุพานิมิต เมื่อเขาตามประกอบในการดูสิ่งสวยงามอยู่ราคะก็จะครอบงำจิตได้เขาก็จะเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทํากาลไปอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง ท, าษาษาท่านพระมาริบุตรท่านพระมหาโมกละนะในบุคคลสี่ฉมบุกนั้นคนที่ไม่มีกิเลสแล้วรู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลส คอนี้สิ่งที่เขาจะหวังได้คือเขาจะไม่ทำในใจในการตามประกอบในสิ่งสวยงามเพราะไม่ทำในใจซึ่งการดูสิ่งสวยงามนั้นราคะก็ครอบงำจิตไม่ได้เขาผู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีกิเลสมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาละไปเปรียบเหมือนภาชนะสมริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาด หรือแต่สกุลของช่างทองเป็นของหมดจดป่องใสเจ้าของก็ใช้ขัดสีภาชนะสมริดนั้นและไม่เก็บมันไว้ในที่ที่มีละอองเมื่อเป็นอย่างนี้สมัยอื่นต่อมาภาชนะสมริดนั้นก็เป็นของหมดจดป่องใสยิ่งขึ้นนี้ฉันใดก็ฉะนั้นคนที่ไม่มีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่า เราไม่มีกิเลสในภายในสิ่งที่เขาจะหวังได้คือเขาจะไม่ตามประกอบในการดูสิ่งสวยงามเพราะไม่ตามประกอบในการดูสิ่งสวยงามนั้นราคะก็จะครอบงำจิตไม่ได้เขาจะเป็นผู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาล้าไปถ้ามาหมุะขล้นะนี้แหละเป็นเหตุ นี่แหละเป็นปัจจัยที่เป็นเรื่องทำให้บุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันก น, นี้คนหนึ่งบันดิกล่าวว่าเป็นบุรุษเหลวซามส่วนอีกคนหนึ่งบันดิกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐอันหนึ่งนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เป็นเรื่องทำให้บุคคลสองพวกที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบันดิกล่าวว่า เป็นบุตรเหลว3ามอีกคนหนึ่งบัณดิตกล่าวว่าเป็นบุุษประเสริฐท่านพระสารีบุตรก็คำว่าอังคณะอังคณะนี้เป็นคำชื่อของอะไรเนาะท่านหมาโมคละนะคำว่าอังคณะนี้เป็นชื่อของความเศร้าหมองที่เป็นบาปอกุศลท่านพระหมาโมคลณะคือพิสูจบางรูปในธรรมะไว้ไหนนี้ พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราเป็นผู้ต้องอาบัตแต่ว่าภิกษุอื่นๆอยา่าพึงรู้ว่าเราต้องอาบัตเลยข้อนี้อาจจะเป็นไปได้และภิกษุอื่นๆนั้นก็รู้ว่าถ้าภิกษุนี้ต้องอาบัตแล้วถ้าเราทราบก็จะมีความโกรธไม่ใช่มชื่นเพราะรู้ว่าภิกษุทั้งหลายรู้ว่าเราต้องอาบัต ความโกรธและความไม่เช่อมชื่นทั้งสองนี่แหละเรียกว่าอังคณะท่านพระหมาหาโมกขนะภิกษุบางรูปในธรรมะวันนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราเป็นผู้ต้องอาบัตก็ขอให้ภิกษุทั้งหลายโจทย์เราในที่ลับไม่พึงโจทย์เราในที่ท่ามกลางสงข้อนี้อาจจะเป็นไปได้ส่วนภิกษุทั้งหลายนั้นก็กลับโจทย์เธอในที่ท่ามกลางสง ไม่โจทย์ในที่ลับเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุต้งหลายไม่โจทย์เราในที่ลับความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้แหละเรียกว่าอังคณะดั่นปรมามงกนลนะภิกษุบางรูปในธรรมะวันนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราเป็นผู้ต้องอาบัติบุคคลที่เสมอเราพึงโจทย์เราเถิดบุคคลที่ไม่เสมอ ไม่พึงโจดเราข้อนี้เป็นหนะที่จะมีได้แต่ว่าบุคคลที่ไม่เสมอก็พึงโจดภิกษุนั้นเมื่อบุคคลที่ไม่เสมอโจดภิกษุนั้นอยู่เธอก็จะมีความโกรธความไม่แช่มชื่นประคิดว่าบุคคลที่ไม่เสมอกันมาโจดเราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้แหละเรียกว่าอังก น, นะนันพรหมหาโมคละนะ ภิกษุบางรูปในธรรมวินไหนนี้เคยความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอพระศัสดาพึงสอบถามสักถามเราเท่านั้นแล้วแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดไม่พึงไปสอบถามซักถามแล้วแสดงธรรมกับภิกษุอื่นเถิดไม่พึงไปสอบถามสักถามภิกษุอื่นแล้วแสดงธรรมเลยข้อนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าพระศัสดา ก็ส่งซักถามสอบถามกับภิกษุอื่นแล้วแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายหาได้สอบถามซักถามภิกษุนั้นใหม่เธอก็จะโกรธไม่เช่อมชื่นเพราะคิดว่าพระศัสดาซักถามสอบถามภิกษุอื่นแล้วแสดงธรรมความโกรธและความไม่เช่อมชื่นทั้งสองนี้เรียกว่าอังกะนาะท่านพระมหมาโมกขลนะ มีภิกษุบางรูปในธรรมมาไว้ในนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋เนอะภิกษุทั้งหลายปึงแวดล้อมเราเท่านั้นเข้าบ้านเพื่อพัะตาหารอย่าแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้านเลยก็แต่ว่าภิกษุทั้งหลายก็แวดล้อมภิกษุอื่นเข้าไปเพื่อพัะตาหารในบ้านไม่แวดล้อมภิกษุนั้นเธอก็จะโกรธไม่ช่ําชื่นประคิดว่าภิกษุทั้งหลาย แวดล้อมภิกษุอื่นเข้าไปในบ้านหาได้แวดล้อมเราอไม่ความโกโรธและความไม่เช่มชื่นทั้งสองนี้แหละเรียกว่าอังคณะท่านพระมหาบุรนะภิกษุบางรูปในธรรมะวันไหนนี้เกิดความคิดอย่างนี้ว่าขอเราเท่านั้นพึงได้ที่นั่งอันเลิศได้น้ําอันเลิศบินบาบอันเลิศในโรงฉันอาหารภิกษุอื่นไม่พึงได้ ข้อนี้เป็นตานั้นที่จะมีได้แต่เมื่อภิกษุอื่นได้ที่นั่งที่เลิศได้น้ําอันเลิศได้บิณฑบาตอันเลิศในงฉันภิกษุนั้นไม่ได้ก็เกิดความโกรธความไม่เช่อมชื่นความโกรธและความไม่เช่มชื่นทั้งสองนี่แหละเรียกว่าอังกนะท่านประมาโมกขะ น, นะภิกษุบางรูปในธรรมะวันนี้เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่า เราเท่านั <imir Sham krit> ้นพ no um sí, ึงฉันในโรงฉันแล้วทำอนุโมทนาภิกษุอื่นไม่พึงฉันในโรงฉันแต่ว่าภิกษุอื่นนั้นก็ฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนาภิกษุนั้นกลับไม่ได้ฉันไม่ได้อนุโมทนาเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าเราเท่านั้นพึงได้ฉันพึงได้อนุโมทนาภิกษุอื่นไม่พึงได้ ความโกโรธและความไม่เฉ่ิมชื่นทั้งสองนี้แหละเรียกว่าอังคณาท่านพระมหามกุกขลนะภิกษุบางรูปในธรรมะว้นไหนนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราเท่านั้นพึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาผู้ไปถึงอารามภิกษุอื่นอย่าพึงได้แสดงธรรมข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ แต่ว่าภิกษุอื่นก็กลับได้แสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ไปถึงในอารามแต่ว่าตัวเองไม่ได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้แสดงธรรมแต่เราไม่ได้แสดงความโกรธความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี่แหละเรียกว่าอังกัณนะท่านบอกกันแล้วนะภิกษุบางรูป มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋เนอภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาบริษัทพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นข้อนี้เป็นฐานาที่จะมีได้แต่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายก็กลับสักการะเคารพ นับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สการะนับถือภิกษุนั้นเธอก็จะโกรธไม่ช่ํมชื่นประคิดว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายสาการะคอรพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สการะเราความโกรธและความไม่เช่มชื่นทั้งสองนี้แหละเรียกว่าอังกันนะแต่ประมาณมคุคละนะ ภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้พึงเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ๋เนอขอเราเท่านั้นพึงได้ชีวรที่ประณีตได้บินนาบาทได้เสนาสนะได้กิร น, นะปัจจัยเพศบ ร, ร, ริการอันประณีตภิกษุอื่นไม่พึงได้สิ่งอันประณีตนั้นข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แต่ภิกษุอื่นก็พึงได้จีวรบินนาบาท เสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเพศร บ, บริการอันประณีตแต่ว่าตนไม่ได้เธอก็จะโกรธไม่เช่อมชื่นเพราะคิดว่าคนอื่นได้แต่ตัวเองไม่ได้ความโกรธและความไม่เช่อมชื่นทั้งสองนี้แหละเรียกว่าอังคณนะท่านมหาโมคะนะความเศร้าหมองที่เป็นบาปเหล่านี้พิสูกรูปใดรูปหนึ่งอย่างละไม่ได้แล้วชนทั้งหลายอย่างเห็น ยังได้ฟังอยู่แม้เธอจะเป็นผู้อยู่ในป่ามีเสนาสะนะอันสงัดหรือการเที่ยวบินบาตเป็นวัดเที่ยวบินบาตตามลำดับตรอกหรือผ้าบางสกุลเป็นวัดทรงจิวรนเศร้าหมองอยู่ถึงอย่างนั้นเพื่อนพระพฤติพระมรรจันทร์ทั้งหลายก็ไม่สักการะกรกนบรมถือบูชาภิกษุนั้น ก้อนนั้นพระเหตุหลเล่าพระเหตุความที่เศร้าหมองที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นอันเธอผู้นั้นอย่างลาไม่ได้เมื่อตาชนทั้งหลายยังได้เห็นอยู่ได้ฟังอยู่เปรียบเหมือนภาชนะสมริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลของช่างทองเป็นของหมดจดป่องใสอันเจ้าของใสซ า, ากศพงู ซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์จนเต็มภาชนะสมริดนั้นแล้วปิดด้วยภาชนะสมริดใบอื่นแล้วออกไปร้านตลาดชนเห็นภาชนะสมริดนั้นแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผูจเจริญสิ่งที่นั่นนำไปนี้คืออะไรคล้ายของที่น่าปอใจอย่างยิ่งพึ่งลุกขึ้นเปิดภาชนะสมริดนั้นดู ร้มกับการเห็นซากศพนั้นก็เกิดความไม่พอใจความเกลียดชังแม้คนที่หิวก็ไม่ปรารถนาจะบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่บริโภคอิ่มแล้วฉันใดความเศร้าหมองที่เป็นบาปอากุศลเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันท่านผู้มีอายุความเศร้าหมองที่เป็นบาปเหล่านี้อันพิสูสรูปใดรูปหนึ่ง ละได้แล้วชนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นด้วยแม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านรับกิจนิมนต์ในบ้านทรงเครื่อประดิษฐวรวถึงอย่างนั้นก็ตามเพื่อนผู้ประพฤติประมจันทั้งหลายก็ยังสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นพระเอกรายเล่า เพราะความเศร้าหมองที่เป็นบาปเหล่านั้นอันบุคคล น, นั้นรับได้แล้วและชนหลายก็รู้อยู่เห็นอยู่เปรีเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลของช่างตองเป็นของหมดจดผ่องใสเจ้าของใสข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่เลือกเอาของดำออกแล้ว แกงและกับหลายอย่างจนเต็มภาชนะสำริดนั้นปิดด้วยภาชนะสำริดอื่นแล้วเอาไปยังตลาดชนเห็นภาชนะสำริดนั้นก็ถามดูว่าท่านผู้เจริญสิ่งที่ท่านนาไปนี้คืออะไรคล้ายของที่น่าพอใจยิ่งจึงลุกขึ้นเปิดภาชนะสำริดนั้นดูพร้อมกับการเห็นข้าวสุก แห่งข้าวสาลีขาวสะอาดมีแกงและกับข้าวหลายอย่างนั้นก็เกิดความพอใจความไม่เกลียดชังแม้คนที่บริโภคอิ่มแล้วก็ยังปรารถนาจะ บ, บริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่หิวฉันใดกระฉันนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระหมหาโมกขลนะได้กล่าวกันนี้ว่า ท่านภษารีบุตรอุปมาของท่านย่อมแจ่มแจ้งเหลือเกินท่านภาษารีบุตรสมัยหนึ่งข้าพเจ้าอยู่นะกรุงราชกฤชในเวลาเช้านุ่งสบงถือจีวรละบาท้าไปบินตาบาตเนียงกรุงราชกฤชก็สมัยนั้นบุตรนายช่างทารถชื่อสมีติทางคงรถอยู่อาชีวกะชื่อบรรทูบุตร เป็นบุตรช่างทำรถเก่าเข้าไปยืนใกล้นายนสมีตินั้นครั้งนั้นอาชีวะกะบรรทุบุตรบุตรช่างทำรถเก่าเกิดความดําริขึ้นในใจอย่างนี้ว่าโอ้หนอบุตรช่างทำรถชื่อสมีตินี้พึ่งถากส่วนโคง้งส่วนคตกระปีและปมตรงนี้แห่งกคงนี้ออกเสียเมื่อเป็นเช่นนี้กรงนี้ก็จะสิ้นโคง้ง สิ่งคดสิ่งกระพีและปมเหลือแต่แก่นล้ว น, วนอาชีวะกะบรรทุบุตรบุตรช่างทำรถเก่ามีความดําริในใจฉันใดในายสมีติบุตรช่างทำรถก็ถากส่วนที่โคง้งที่คดกระพีและปมแห่งกงนั้นฉันนั้นฉันนั้นกลางนั้นอาชีวะกะบรรทุบุตรดีใจ เพลงว่าจะแสดงความยินดีว่าในสมีติบุตรช่างธรรมรถหากเหมือนจะรู้ใจด้วยใจฉันใดท่านพระสารีบุตรบุคคลทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่มีศรัทธาเป็นผู้ต้องการจะเลี้ยงชีวิตไม่ออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเป็นคนมักโอ้อวดมีมารยาเป็นคนหลอกลวงฟุ้งซ่าน ถือตนกลับกรอกปากกล้ามีวาจาเคลือบแคลงไม่คุ้มกรองตวานในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรไม่มีใจจดจ่อในสามัญญผลไม่มีความเคารพอย่างแรงกล้าในศีกาบทเป็นผู้มากมากหย่อนยานเป็นหัวหน้าในการทอยถอยทอดธุระในความสงัดเกียกรคร้าน มีความเพียนเหลวซามมีสติฟั่นเฟือนไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดมีปัญญาสามเป็นดังคนไบ่ท่านพระสารีบุตรเหมือนจะรู้ใจของบุคคลเหล่านั้นด้วยใจแล้วถากอยู่ด้วยธรรมะปรายายนี้อหนึ่งกุลบุตรเหล่าใดเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบนรรพชิต ไม่เป็นคนโอ้โอวดไม่มีมารยาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนไม่กลับกรอกไม่ปากล่าไม่มีวาจาเกลือบแคลงเป็นผู้คุ้มครองตวานในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รูป้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรมีความใส่ใจในสามั ญ, ญพจนมีความครบอย่างแรงกล้าในศีกาบทไม่เป็นคนมากๆ ไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเป็นหัวหน้าในความสงัดปราบ ค, ความเพียนมีตนส่งไปมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดุดคนใบ้กุลบุตรเหล่านั้นแม้ฟังธรรมปริยายของท่านพระสารีบุตรนี้แล้วเหมือนหนึ่งว่า จะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่าเป็นการดีเนาะท่านพระสารีบุตรผู้เป็นผู้วื่นผู้ประพฤติพรมจรรย์ให้เราทั้งหลายออกจากอากุศลให้ตั้งอยู่แล้วในกุศลเปรยียบเหมือนสตรีหรือบุุษที่กำลังสาวกำลังหนุ่มชอบแต่งตัวชำระล้างศีรษะแล้วได้ดอกบุบดอกมลิหรือดอกลำดวน ประคองด้วยมือทั้งสองยกขึ้นตั้งไว้บนเศียรเกล้าวฉันใดกุลบุตรทั้งหลายที่มีสตาออกบุตรเป็นบันปชิตไม่โ อ, โ อ, โอ้อวดไม่มีวญญาก็ฉันนั้นเมื่อได้ฟังธรรมปรรยายของท่านพระสารีบุตรนี้แล้วเหมือนหนึ่งจะดื่มจะกลื่ไว้บด้วยวาจาและใจว่าเป็นการดีเนาท่านพระสารีบุตร ผู้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติประมาจันให้เราทั้งหลายออกจากอากุศลให้ตั้งอยู่ในกุศลแล้วดังนี้ทั้งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมกลลนะต่างก็ชื่นชมสุภาษิตแห่งกันและกันด้วยปริยายอย่างนี้อนังคณะสูตรจบ